รมวัดสกิจจัน์สมใจขอใหม่ไหมนาผิดิดจุดหนึ่งตาลายสะดุดไหมพวกเราสะดุดไหมคนที่มีสมาธิจะสะดุดใช่ไหมอยู่ๆมาสังขาร <c oughs> ตัญญายังไม่ผ่านมาสังขารแล้วตาลาย คอนี่มันจะมีเส้นเสียงอยู่เส้นหนึ่งใช้ไม่ได้สิกซ้ายสนะิกดันซ้ายดันขวาใช้ได้เป็นประจำเวลาทำวัดสวดมันร่างกายแมนมืยที่ก็หลังที่ก็ขาหลังนานๆจิตจจจิตใจวัยเปลี่ยนไป 55มันจะไปเข้า60 56บ7 58สิไม่เหมือนเก่าเลยร่างกายเนี่ยเราก็สังเกตได้เวลาทำวัดสวดมนต์ความคิดเจตนาจะสวดความคิดเรื่องอื่นก็แซมๆ ม, มามีไหมเยมเหลืองนั่นเหลืองนี่เหลืองนู้นดีมก็จิตจัดจิตจัดจิตจัดก็ดดมา ก็สังเกตแล้วนะตัวปฏิบัตินานวันเข้าดีก็ไม่เหมือนเดิมเราไม่จำเป็นต้องมาครับรคองมันกันแล้วแต่มันกันแล้วกันเราอยู่กับมันแล้วถ้าเหตุปัจจัยของมันก็สังเกตอยู่เมื่อก่อนว่าทำบัตสวดมนต์เนี่ยมันผิดปกติโอ้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ ก็ลองสังเกตบางทีพระรูปอื่นหลวงพ่อครูบาอาจารย์เป็นหมดเลยนลวงพ่อมเขียนกั็ผิดแต่เามื่อก่อนเนยรู้สึกผิดมากทําระสริวันผิดเนี่ยเอ้าครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันหมดเลยลูกไม้หลวนไม่ไกลต้นอาจารย์ไปสารจําแม่นๆที่กระทาผิดเออบางวันแต่น้อยครั้งเท่านั้น น, ะนะาะเพราะนั้นนั่นไอ้เรื่องพวกนี้ส่วนตัว ผมเราจะมามองเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดาสมองเนี่ยลืมได้ตาเนี่ยมองผิดบรรทัดได้เวลาสวดแต่ที่ไม่ผิดก็คือเรารู้ทันมันอะไอตัวนั้นใจเราจะรู้สึกโอ้มันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างนอ้นะอโลบใบนะีแก่เจ็บตายเนะเราไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากป่วยเส้นเสียงเสียเร็วนะ ในทางหาหมอคงจะผ่าตัดทิ้งอะไรที่ดันซ้ายความกางวลหายไปหรือว่าบางทีความต่อเนื่องการพูดก็หายไปแต่ถ้าพูดจากความจําเนี่ยใช้ไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยแต่ถ้าพูดจากประสบการณ์จากไอ้ตัวที่มีอยู่ข้างในมองเข้าไปแล้วก็เอามาพูดเอ อ, เอไอ้ตัวนี้ใช้ได้ความชํานาญนรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่จริ ง, ง น, นะ ก็ที่มานำสวดชานี้ตั้งใจให้จันสมใจใพูดจะนสมใจเปลี่ยนอารมณ์หน่อยเปลี่ยนน้าเสียงหน่อยเปลี่ยนเรื่องราวหน่อยฟังนานๆฟังบ่อยๆมันก็ดีอยู่แต่ว่าแต่ละคนจะมีมองมีภาษาไอ้สิ่งเดียวกันเน่ยบางทีมก็สามารถถ่ายทอดนะอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเข้าใจได้ เช้านี้เดี๋ยวเราให้อาจารย์หนุมใจได้แสดงออกคิดว่ามันก็จะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยก็บอกเรากลายนื่นงมาจก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงประเทียนหลวงพ่อคำเขียน ถวายความปรกไม่หยังพระจันทร์สรงสินขอโอกาสเพื่อนสัตมิกเจริญในธรรมเนนสามเนนแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนเนา ะ, ะก็นั่งกันตามปกติตื่นนอนกันยังไะกายตื่นใจตื่นปะหรือกายตื่นแต่ว่าใจยังงงเงีย ง, งงเงียอยู่ปลุกตัยเองหน่อยเนาะเออนะ เช้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะที่30มกราคมนะสองพันระ้อยหกสิบหนึ่งะวันนี้ก็เป็นวันโกนนะพรุ่งนี้วันพระพระใหญ่ด้วยสังเกตัหมพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงแล้วเออบางทีเราก็ไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยใช่ไหมเดินนะธรรมชาตินะของวัดป่าสุขโตเนี่ยนะก็เชิญชวนเชือช้อเชิญให้เรา กลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะความเงียบสงบสงัดในยามเช้านะที่เราตื่นขึ้นมาสังเกตไหมนะสดชื่นไหมอากาศเมื่อวานเราได้ใช้เวลาเต็มที่เลยคุ้มค่ากับการเดินทางนะจากกรุงเทพนะ มาวัดป่าสุกโตวางการวางงานวางบ้านวางครอบครัววางทุกอย่างไว้เลยนะเรียกว่าออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็เหมือนกับพระนะพระก็วางไว้นะเพราะนั้นการที่เรามาที่นี่เนี่ยนะเราก็เรียกว่าเหมือนบวชเหมือนกันนะบวชช่วคราวเจ็ดวันนะออกจากบ้านออกจากเรือน ตรงนี้แหละนะเป็นจุดที่เราจะได้มีโอกาสนะได้มาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเราเรียนรู้อะไรมามากมายนะตั้งแต่เด็กนะเรียนรู้เรื่องการเขียนการอ่านตัวเลขนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเราเองในในส่วนของกายในส่วนของสติปัญญา ในส่วนของมือไม้ต่างๆเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะได้ดำเนินชีวิตนะอย่างเป็นปกติสุขนะมีอาชีพมีการงานนะให้มีทรัพย์สินเงินทองนะที่จะแก้ไขนะความทุกขนะ์โดยเฉพาะความทุกข์ทางกายนะได้รับความสรดวกสบาย นะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติมเต็มนะความบกเรียกว่าความพร่องนะความพร่องในจิตในใจของเราคนบางคนมีเงินทองมากมายนะแต่ก็ยังรู้สึกไม่เอ็มไม่ไม่อิ่มไม่เต็มยังขาดอะไรอยู่ก็ไม่รู้บอกไม่ถูกไปทั้งวัตถุเนี่ยนะอำนวยความสะดวกนะในการดำเนินชีวิต ในการที่เราจะมีชีวิตอยู่นะก็สะดวกสบายยิ่งปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากขึ้นนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่สามารถจะเติมเต็มนะความพร่องในจิตในใจซึ่งความพร่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตใจเราบบพร่องนะหรจิตใจเราพร่องนะแต่คือความอยากนั่นแหละนะ ความอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งตัวเนี้ยเราไม่รู้นะเราทําไปตามสัญชาติญาณทําไปตามความอยากาที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตรงนี้นี่แหละเป็นจุดที่ทําให้เร า, าต้องมาเรียนรู้ตัามารู้เท่ารู้ทันมันเคยได้ยินคนเคาว่านะแต่ตัมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน เขาบอกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะมันมีความสุขนะเป็นประเทศที่สุขสงบคนอยู่ก็น่าจะมีความสุขแต่เชื่อไหมมันมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งนะแปลกมากเลยนิจันไปสารเล่าให้ฟังนะสะพานเนี้ยนะอยู่ทอดอในทะเลหรือแม่น้ําเนี่ยสวยงามมากเลยวิวทิวทัศน์สวยงามมากเล ย, ย, ามมาเลยแล้วคนก็ชอบไปเที่ยวกัน แต่มันน่าแปลกนะสพานนี้เขาทํารั้วกัน้นะถามว่าเขากั้นไว้ทําไมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นที่ที่คนสวิตเซอร์แลนด์ะมาฆ่าตัวตายมาโดดน้ําตายเอะแปลกนะประเทศที่มีความสุขมีความสงบในสายตาเราเขาน่าจะมีความสุขนะแต่ทําไมเขามาฆ่าตัวตายนะก็พบว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันสะดวกสบายจนมันมันมันรู้สึกเบื่อเบื่อไอ้ความสะดวกสบายหรืออาจจะเป็นที่ว่ามันมันสบายเกินไปนะมันไม่มีอะไรท้าทายนะชีวิตมันก็เลยรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างนะแล้วบางทีบางคนก็ทนไม่ได้นะซึ่งจุดนี้เนี่ยเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะนรืออย่างคนญี่ปุ่นเนี่ย อาจารย์ยูกิเล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาจเจริญพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหลายประเทศพยายามที่จะเอาแบบอย่างแต่อาจารย์ยูกิเล่าให้ฟังว่าไม่น่าเชื่อนะคนญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายปีละส 0,000 คนส 0,000 คนเนี่ยสำเร็จจริงจริงหม่นคนเมื่อวานอาจารย์ดงสินก็เล่าให้ฟังว่ามันมีใช่ไหม มีที่ที่หนึ่งสำหรับคนที่ไปฆ่าตัวตายอะนะเออมันก็แปลกดีนะโลกหรือประเทศที่มันเจริญทางด้านวัตถุนะแต่ว่าทําสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคนร่ํารวยคนที่ฆ่าตัวตายในเมืองไทยส่วนใหญ่เนยะคนในเมืองนะ่ะคนที่มีฐานะก็ยังมีเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเราไม่ก็เห็นนะฆ่าตัวตายนะนะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกัน ว่าวัตถุเนี่ยนะความพรั่งพร้อมความมั่งคั่งไม่ใช่คำตอบของการมีชีวิตนะที่เป็นปกติสุขนะบางครั้งมันก็มีทุกข์มีโทษโดยที่เราไม่รู้ตัวพวกเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในในในสภาพอย่างนั้นหรือเปล่านะที่เรามาวัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยอาตมาคาดคะแนนะก็คงไม่แตกต่างจากอาตมาเท่าไหร่ นะเราต้องการสแสวงหานะสิ่งที่มาเติมเต็มนะให้กับจิตใจของเราและจิตใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้พร่องหรอกมันสมบูรณ์มันพร้อมนะแต่ที่มันพร่องก็คือความไม่รู้ความไม่รู้เท่าทันของความอยากนะที่มันเกิดขึ้นในจิต ใ, ใจโดยเฉพาะความอยากที่ไม่รู้จักพอนะภาษาไทยนีมน่มันบางทีมันกำกวมนะความอยาก ความอยากที่ว่าเนี่ยถ้าพูดภาษาบาลีคือตัณหานั่นแหละนะตัณหาคือความอยากความอยากทยานไปนในสิ่งที่มันไม่ไม่รู้จักสิ้นสุดนะสิ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราบางทีเราก็ยึดติดนะแล้วทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้ความอยากก็ดีความยึดติดต่างๆก็ดีนะมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่ารู้ทัน ในความคิดในอารมณ์ในความต้องการของทางกายและทางใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราจะรู้ได้เราจะเห็นได้เราต้องกลับมานะเรียนรู้นะที่กายที่ใจของเราเครื่องมือสำคัญที่เราจะเรียนรู้ไม่ใช่ความคิดโลกปัจจุบันนี้การศึกษาปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เน้นให้เราคิดหาเหตุหาผลนะซึ่งก็ดีนะ อันนี้ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆแต่เรื่องจิตใจเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดใช้เครื่องมือที่เราเคยมีอยู่และมีอยู่ด้วยก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความเป็นเครื่องมือนาที่เราใช้มาตั้งแต่เกิดเลยและโดยเฉพาะเราเห็นชัดเจนที่สุดตอนเราเป็นเด็กๆเราอาจจะลืมไปละ เราไปสังเกตเด็กๆได้เขาคลานเขาหยิบจับสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวอะไรมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งเขาเรียนรู้มันเมื่อสมัยเราเด็กๆก็ใช้ตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญนะเป็นความรู้สึกตัวที่มีมาตามสัญชาตญาณ น, นะเขาเรียกว่าสติสามัญสติสามัญเป็นสิ่งที่เราเใช้มีอยู่ ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจาการงานต่างๆใช้ได้ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนแต่ว่ามันมันยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอกับความคิดและอารมณ์ที่มันไวมากๆนะโดยเฉพาะความคิดเนี่ยมันไวแสงเนี่ยเขาว่าไวที่สุดในโลกแล้วนะแต่สิ่งที่ไวกว่าแสงคือความคิดนั่งอยู่ที่วัดป่าสุโตปุ๊บไปกลับบ้านลว นั่งอยู่ที่โสุกโตปุ๊บไปละที่ทำงานและมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอน์สไตน์จึงบอกว่าสิ่งใดไวกระแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนนี่ไงความคิดไงแต่มันมีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวตามสัญญาติญานนะเป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการพัฒน า, าให้มันไวที่เรามาฝึกกันเนี่ย เรามาฝึกเพื่อพัฒนาตัวความรู้สึกตัวที่เป็นสติตามสัญชาติยานให้กลายเป็นมหาสติหรือสติปัฏฐานเพราะนั้นการมาฝึกฝนพวกเราเนี่ยเราไม่ได้มาสร้างอะไรใหม่เลยนะเรามาพัฒนาสิ่งที่มีเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพให้มันฉับไวให้มันคล่องแคล่วให้มันมีพลังจากสติสามัญกลายเป็นมหาสติ สติไม่ได้มากขึ้นนะแต่มันไวอา้าวแล้วทำไมอะ่ะที่มีอยู่มันไม่มันมันเป็นยังไงอะ่ะมันเฉยรู้นะโกรธเนี่ยไม่ดีแต่ก็ยังโกรธอยู่รู้นะงหงุดหงิดไม่ดีก็ยังห ง, งุดหงิดอยู่รู้ว่าเบื่อไม่ดีก็ยังเบื่ออยู่เมื่อวานเราได้เรียนรู้ตรงนี้มั้ยล่ะนี่คือบทเรียนบทแรกเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาที่กายที่ใจซึ่ง ถ้าเราไม่มีการัญณามิตรไม่มีความแยบคายในการสังเกตเราจะไม่ได้เรียนรู้อิรียบทเนี่ยบทบังอันนี้จังลราเบื่อเราก็ลุกเดินเที่ยว ไ, ไปนู่นเที่ยวไปนี่เดินเที่ยวรอบวัดก็สบายดีเนี่ยนี่ไงวิธีการแก้ทุกข์ไงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เขาเรียกกบเกื่อน มันไม่อย่การที่เราไปเรียนรู้เราหนีเราหนีความเบื่อเราหนีความหงุดหงิดนะเราหนีความฟุ้งซ่านเราจะต้องหนีกันไปตลอดชีวิตหรือจนตายหรือเพราะฉะนั้นที่มาวัดป่าสุขกโตเนี่ยเรามาเรียนรู้กับมันเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่กา ร, รเผชิญหน้าเนี่ยเราไม่ได้เผชิญหน้าแบบ ตรงๆโดยไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือดิใช่ไหมเครื่องหม้เครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนตาในเรามีตาเนื้อเรียนรู้โลกข้างนอกเรียนรู้เรื่องราวต่างๆแต่เรามีตาในที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตาเนี้ยมันถูกปิดมันไม่ได้เอามาใช้เต็มที่มันใช้อยู่เหมือนกัน จะใช้ไม่ได้เต็มที่ยังไม่มีประสิทธิภาพนะเราก็มาฝึกมาปลุกนำะมาเร้าให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาตาเนี่ยมันจะได้ถูกเปิดพวกเราเคยได้ยินเัาปลุกเสกพระใช่ไหมเนี่ยเรามาปลุกเสกตัวเราเองมาปลุกนาะเปิดตาในาขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละนะใหม่ๆเนี่ยนะส่วนใหญ่อะนะ มันก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่ค่อน่าดูเท่าไหร่เช่นความเบือ่อความฟุ้งซ่านความเหนื่อยล้าความปวดความเมื่อยนะความเจ็บความหิวนะความหนาวนะอันนี้เป็นอาการของกายแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราเข้าไปอยู่ในมันเลยเรากลายเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยผู้เจ็บผู้ฟุ้งซ่าน ใม่ๆ ม, มันเป็นแบบนั้น น, ะนี่บทเรียนบทแรกนะซึ่งตรงนี้แหละหลายคนทอแท้ทอถอยถอยหนีการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันเลยยากแกจะมีสักกี่คนละ่ะที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้พันหนึ่งในพันมั้งหนงใน100มั้งไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะ อย่างน้อยๆเนี่ยเรามีทยาศัยเรามีความใส่ใจสนใจหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์มันบีบมาจะเป็นความทุกข์ในเรื่องครอบครัวความทุกข์ในเรื่องเศรษฐกิจความทุกข์ในเรื่องสุขภาพหรือหลายๆอย่างก็แล้วแต่มันบีบให้มาให้มาที่จะออกจากความทุกข์เพราะนั้นการเรียนรู้ทุกข์เราจะต้อง เผชิญหน้ากับความทุกข์อย่าหนีทรมานหน่อยอึดอัดหน่อยลำบากหน่อยในเบื้องต้นเหมือนเราเดินเข้าไปในป่าป่านี้เราไม่เคยเลยมันลกชัดมากเราต้องหักล่างฐานพงเดินเข้าไปมันก็งงๆอ่ะมันจะไปตรงไหนมันจะไปอย่างไงเรายังสับสนไม่รู้จะไปอย่างไงแต่มาที่นี่ เรามีผู้ชี้ผู้บอกนะแล้วก็พาปฏิบัติแล้วก็ทำตามเมื่อตรงนี้แหละนะเมื่อเราได้เผชิญกับความทุกข์เราได้เรียนรู้ทุกข์เราก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์สำคัญก็คือการไม่รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ต่างๆรวมทั้งอาการต่างๆของกายที่มันแสดงออกมา เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ทําไปตามสัญชาตญาณอย่างเมื่อวานอาจารย์ตังศิลป์พูดใช่ไหมไม่ไม่สู้ก็ถอยแต่การปฏิบัติธรรมไม่หนีไม่สู้อยู่ตรงเนี้ยนะไม่ต้องไปสู้กับมันความง่วงก็ไม่ต้องไปสู้หรอกเพียงแค่รู้แล้วกลับมารู้สึกตัวทีนี้การรู้สึกตัวเราจะไปนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยบางทีมันก็โดนนโดนมันดูดน่ะโดนความง่วงดูดน่ะ โดนความเจ็บความปวดมันดูดนะเพราะฉะนั้นเราเบี่ยงเบนความสนใจซะมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่ก่อนหลายคนเคยฝึกใช้ลมหายใจบ้างใช้กรรมบริกรรมบ้างอันนั้นะครูบาอาจารย์ท่านให้เราเบี่ยงเบนออกมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ให้มันดูดใหม่ๆเนี่ยเราอาใส่สติก่อนสติเป็นเครื่องกลางกั้นกลางกั้นไม่ให้เราเข้าไปอยู่ในอาการต่างๆ เขาไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆออกมาแต่ว่าลมหายใจก็ดีคาบริกรรมก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะลมหายใจนะมันเป็นเองแล้ว น, น, นอนเราก็หายใจอะ่ะใหม่ๆความรู้สึกตัวที่เกิดจากการรู้เท่าทันลมหายใจเนี่ยมันชัดนะแต่พอเราทำไปทาไปถ้าเราไม่ทำให้ต่อเนื่องแล้วก็กำลังของเราไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่นะ อันนี้พูดถึงส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะมันจะเกลื่อนไปมันจะลืมไปมันจะตกผวังไปแล้วมันก็จะหลับแล้วบางคนก็บอกสบายนั่นลหละเราลืมเนื้อรืมตัวไปแล้วเราไม่รู้สึกตัวแล้วบัะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมเวลาเราไปฝึกบางทีมันก็นั่งไปงก ง, ง่วงงกง่วงถามว่าเราฝึกมากี่ปีแล้วฝึกไอ้แบบนี้มากี่ปีแล้ว ถ้าเกินกว่าเจ็ดปีแล้วยังเหมือนเดิมนะถอยออกมาเถอะมาหาวิธีการที่มันเร็วกว่านั้นพุทเจา้าบอกแล้วถ้าทำต่อเนื่องเจ็ดปีเนี่ยความทุกข์มันต้องลดลงแต่เรายังไปดันทุลังทำกันอยู่นะยังไปนั่งสงบติดโป๊กจานโควิดเขมานันทะท่านพูดนะคนที่ติดติดสงบเนี่ยมันโหมันแก้ยากแล้วมันจะติดอย่างนั้น่ะ มันจะไม่เอาอ่ะจะมายกมายกมือไม่เอาอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคสำคัญที่เราไม่รู้เป็นการเสพติดนะเสพติดอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ละเอียดนะบางทีโงกงวงเลยนั่งโอ้คิดว่าเราสงบแล้วอะไรเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเคยฝึกมานะอาณาปานสติพุทโธ แต่ก่อนมีคำบริกา ร, รตายตายตายท่านดอยฟังท่านบอกมาได้แต่สงบชั่วชั่วคราวเท่านั้นเองก็สงบขนาดนั้นน่ะก็แค่สงบแต่สงบแบบไม่รู้เขาเรียกว่าสงบแบบไม่รู้สงบแบบลืมเนื้อลืมตัวเมื่อท่านมาเคลื่อนไหวนี่แหละการเคลื่อนไหวเนี่ยมันแรงมันชัดนะแล้วมันเจตนาที่จะทำเลยนะ ถ้าเราไม่เจตนาทําเนี่ยทําผิดเลยใช่ไหมยกมือผิดเลยใช่ไหมมีสิบสี่จังหวะไม่ถึงสิบ14ี่จังหวะใช่ปะใหม่ๆเนี่ยให้มันครบสิบสี่จังหวะเหมือนกับเขียนกอไก่ขอไก่ทัวบรรจงกันแหละนะอย่าไปทําแบบวัดวัดวัดวั ด, วดคือทําไงยกแบบอัตโนมัติน่ะไม่มีหยุดเลยคําว่าหยุดในที่นี้หมายถึงว่าในจังหวะของการพลิกก็ให้ มีเคลื่อนมีหยุดเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้รู้สึกตัวรู้นี่ไม่รู้อะไรนะรู้สึกตัวเป็นครั้งเป็นครั้งไปแต่อย่าไปจี้มันไปจี้ไปจ้องมันจะเกรง็งมันจะเคร่งเครียดมันจะหนักสตินธะธรรมชาติเขาเบาๆโปลง่ปลงๆตรงนี้นี่แหละมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คนเริ่มต้นใหม่เนี่ยรู้สึกไม่เห็นมีอะไรเลยทาแล้วมันไม่มีลสไม่ชาตเลย ไม่เหมือนกับเรานั่งหลับตานิ่งโอ๊ย้ยมันสบายเย็นนั่นนะคือรสชาติรสชาติที่ทำให้เราติดเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราเสพติดเสพติดอารมณ์เสพติดความคิดยังไมง่ยังไม่พูดถึงเสพติดของที่มันใหญ่กว่านี้นะบุหรี่อย่างเงี้ยกาแฟอย่างเงี้ยของหวานอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพทีเดียว เพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อเรามาเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่มันเรียกว่าพูดง่ายๆคือมันมันเป็นการเคลื่อนไหวที่หยาบหยาบที่สุดละเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่มันห ย, ยาบๆยาบชัดๆก่อนอย่าเพิ่งไปเอารายละเอียดนะรายละเอียดว่ายกยังไงสติเป็นยังไงอย่าไปถาม ถ้าไปถามไปคิดไปหาเหตุหนาะผลนะ่มันช้ามันเนิ่นช้าจุดบอดของคนในเมืองคนที่มีการศึกษาคือคิดมากทําแล้วมันจะได้อะไรทําแล้วมันจะเป็นอย่างไร <c oughs> ถึงที่สุดมันจะเป็นอย่างไงโอ้ยเนิ่นช้าไม่เหมือนชาวบ้านนะอาตมาสังเกตชาวบ้านเนี่ยบอกให้ทำทำเลยไม่ถามด้ยวยทําไปทําไมแต่ทําไปแล้วเออ เฮ้ยมันรู้สึกตัวไหมเห็นการเคลื่อนการไหวเห็นใจที่มันคิดมันนึกเห็นอาการณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อเห็นอาการณต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็าไปยึดไปถือไปแบกมันมันก็หนักอะดิแต่ถ้าเราไม่แบกมันเออเราก็รู้มันเราก็ปล่อยกระวางและยอมรับมันสภาพแบบนี้แหละนะ ความอิ่มความเต็มที่มันมีอยู่ในจิตในใจมันแสดงตัวออกมาเราไปยึดไปถือเราไปทยานอยากไม่อยากเลยไม่ชอบเลยความง่วงเนี่ยไม่ชอบเลยความปวดความเมื่อยเนี่ยไม่ชอบเลยความคิดฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันมีไอ้ความไม่อยากนั่นแหละมันทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นไปได้ไมลนะ่ะ ธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็นน่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดบางคนมาวัดป่าสุกโตคิดว่าจะสบายจะสงบไม่คิดอะไรเราเรียนรู้มาอย่างนั้นจากการสื่อสารเราฟังครูบาจารย์โอ้ยดีท่านพูดมาดีเลยดีจังเลยธรรมะมันต้องอย่างนั้นนะ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอะไรเงี้ยมามันไม่สงบเลยอะเมื่อวานเป็นไงบ้างอะคิดฟุง้งซ่านปวดเมื่อยถ้าจะไม่ถูกกับเราละมั้งนะคิดไปอย่างนั้นนะแต่ก็มีนะบางคนถ้ามีอัตยาสายัยมีนิสยัยปล่อยวางมาเนี่ยมันก็จะไม่หนักอย่างนั้นหรอกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการอย่างนั้นแหละ มีอาการที่ว่ามันเกิดความปวดความเมื่อยความคิดฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาเมื่อวานท่านอาจารย์ทองศิลป์ก็พูดไปแล้วใช่ไหมเขาเรียกนิวรธรรมคําว่า น, นีิวรธรรมคือเครื่องกลางกั้นไม่ให้เรารู้สึกตัวเราต้องผ่านอารมณ์พวกนี้ก่อนถ้าผ่านอารมณ์พวกเนี้ยนะความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนที่ไหวมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเราจะระลึกรู้การยกมือการเคลื่อนไหว การสัมผัสหยิบจับการรับรู้รสอาหารต่างๆสติจากสติสามัญจะกลายเป็นหมาสติแล้วมันจะมีประสิทธิภาพในการทํางานเมืวานนั่นจำต้องศีลบางทีบอกว่าแค่กินน้ำลายเราก็รู้สึกเออรสมันวหวานปลั๊มปลั๊มนีกินข้าวเปล่าเนี่ยก็จะรู้สึกกินข้าวเ่าเนี่ยหวานหวานน้อย รสชาติเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าสติของเรามันยังไม่ได้ทำงานนี่ถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยบางบางฤ ด, ดูนะมันมีกลิ่นดอกไม้ป่าอ่อนๆโชยมาเนเราไม่เคยสังเกตเลยนะเสียงจิ้งหรีดมันร้องเนี่ยเราเคยสังเกตไหมอยู่ในเมืองเราไม่เคยได้สังเกต มันจะมีความละเอียดอ่อนมันจะมีความฉับไวขึ้นตัวสติจากสติสามัญกลายเป็นหมาสติมันจะฉับไวมันจะคล่องแคล่วแล้วเราก็จะสามารถนะสัมผัสนะกับสิ่งที่มันละเอียดเข้าไปจากกายที่เคลื่อนที่ไหวเนี่ยนะไปรู้ความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความร้อนความหนาวเป็นอาการของกายที่เขาแสดงออกมา นอกจากการเคลื่อนไหวแบบหยาบๆแล้วการเคลื่อนไหวที่ละเอียดเข้าไปเช่นกระพริบตาเนี่ยรู้ไหมกื่นน้ําลายเนี่ยรู้ไหมลมหายใจรู้ไหมมันจะเป็นเองนะเราไม่ต้องไปตั้งใจอะไรมากเลยแต่คําว่าไม่ตั้งใจนี่มันคือมันเป็นไปโดยโด ย, โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติแต่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นได้ต่อเมื่อเราได้รา้าหรือได้ฝึกอย่างต่อเนื่องใหม่ๆตั้งใจที่จะ ระลึกรู้กับกายเคลื่อนไหวกับการสร้างจังหวะ ก, กับการเดินจงกรมตัวเนี้ยดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือสำคัญเพรา ะ, ะนั้นบางคนบอกไม่ต้องทำก็ได้ไม่ใช่หรอไปเดินเที่ยวไปทำนู่นทานี่มีความรู้สึกตัวกับการทำการทำงานก็น่าจะพอแล้วนะทำได้ไหมละ่ะยิ่งบอกว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมนะตรงนี้ต้องระวังเลย ถ้าเรายังสติไม่ชัดนะไปทําการทํางานจะหลงไปกับการงานน่ะแหละหลงไปกับผู้คนน่ะแหละเพราะฉะนั้นอันนี้จุดเบื้องต้นเลยเรามาทํารูปแบบเยอะๆแล้วอาจารย์ทรงศิลก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยทำอย่างต่อเ น, นื่องบางคนมามาบวชอาตมาแกล้งถามไปไงบ้างไปฝึกจเจริญสติสักวันละกี่ชั่วโมงเขบอกชั่วโมงเดียวในที่เหลือทํำอะไรอ่ะอ่านหนังสือบ้าง เล่น Facebook บังเล่นไลน์บังโอ้ยมาอยู่วัดป่าสุขโตอย่างน้อยๆอย่ะถ้าจะคุณจะฝึกแล้วคุณจะเรียนรู้พวกนี้นะสิบชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยนะเมื่อวานจาตรงจริงบอก่านตอนนั้นฝึกสิบดชั่วโมงอัตมาไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็อย่างนั้นเหมือนกันเรียกว่าเวลาว่างที่เหลือนะยกให้พวกนี้หมดเลยการงานอย่างอื่นวางไว้ก่อนแต่ที่วัดป่าสุกโตนี่เดินนงงานมันเยอะ คนคิดหางานบางทีเข้ากรรมฐานไม่ได้อะก็ไปทำหน้าที่เป็นกรรมกรดิซึ่งไอ้งานอย่างเงี้ยเราก็ทำมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอยู่ในอยู่ในสังคมอะใช่ไหมมานี่ยังมาหางานทำอีกเหรอนี่งานทางจิตทางใจเนี่ยสำคัญมาทำตรงนี้อย่าไปเห็นแก่ความสะดวกสบายนะฝึกลงไปทาลงไป จากการระลึกรู้ที่กายเคลื่อนไหวไปรู้กายที่ละเอียดเข้าไปลมลมหายใจนี่ก็เป็นกายชนิดหนึ่งและในขณะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะความคิดว๊บแป๊บว๊บแป๊บมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความปวดความเมื่อยมันมาแล้วก็ไปแต่กายเนี่ยความทุกข์ทางกายเนี่ยไปคิดเอาไม่ได้นะมันต้องใช้อิเดียบทแก้หน่อย มันปวดมันเมื่อยอะก็ลุกแต่ลุกด้วยความรู้สึกตัวแล้วสังเกตเลือดลมมันจากเน็บชามันจะคื่นสู่ความเป็นปกติของมันอันเนี้ยให้เราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะทำไปตามความเคยชินนะเราก็อยากให้มันสบายนี่แหละไอความสบายนี่แหละเป็นสิ่งที่เราติดเสพติดอีกอย่างหนึง่งเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะ จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันมักจะมีเขาเรียกว่ามารมา ก, กั้นใช่ไหมมารเนี่ยมันจะมีตัวมิตรนอะไรหรอกกับจิตใจของเรานี่ยแหละที่มันยังไม่เข้มแข็งพอมารตัวแรกคือกิเลสมารความรักความสบายความคุ้นชินกับการสะดวกสบายความโลภความโกรธความหลงเราคุ้นกับมันเราอารมณ์ต่างๆเราไป คลุกคลีกับมันนานเราติดเสพติดมันมารตัวที่สองพวกเราจะเป็นกันเยอะพวกมีการศึกษาเยอะเนี่ยคือคิดมากอภิสังขารมารคิดว่ามันจะทําแล้วมันจะได้อย่างนั้นคิดว่าจะทําได้อย่างนี้ทําแล้วมันจะได้อะไรคิดอยู่นั่นแหละแต่ไม่ลงมือ ท, ำ ท, ทํำสักทีดูแผนที่อยู่นั่นแหะแต่ไม่เดินทางสักที ตัวที่สามขันามาปรปวดเมื่อยเป็นไข้ไม่สบายรออืดพออมอยากจะอ้วกอะไรเงี้ยนะมันมาแสดงอย่าเพิ่งไปยอมแพ้นะมันจะไม่ให้เราไปทำความเพียรต่อบางคนนี่มาวันแรกก็โอ้ยไม่ไหวแล้วต้องกลับแล้วปวดเมื่อยโดยเฉพาะคนที่ร่างกายอาจจะไม่ไ ม, ไม่สมบูรณ์ ก็อย่าไปโทอแทะเอาความปวดความเมื่อยเอาความเจ็บนั่นแหละมาศึกษาหลวงประเทียนใช้คำว่ารูปโรคคือโรคที่เกิดขึ้นกับกายแล้วมันจะถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันจะส่งให้ใจของเราเจ็บปวดไปด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วมันงสงสัยเราเนี่ยแค่วันแรกเราก็แทบตายแล้วนะนะแล้ววันนี้จะทำได้ไหมเนี่ยเอมันคิดไปเรื่อยนะมันท้อแล้วนะมามันมาดึงไม่ให้เราทำแล้วนะ เพราะนั้นเราตั้งใจแล้วเราอาธิษฐานแล้วว่าเราจะมาอยู่ถึงเจดวันก็อยู่ให้ได้มารเนี่ยนะมันจะกลัวอย่างเดียว่เรารู้ทันมันในพระไตรปิฎกก็พูดเอาไวนะ้นะเนี่ยเรารู้จักแล้วเจ้ามารถ้าถ้ารู้ตัวปุ๊บมันหายฟุบไปเลยนะเหมือนขโมยอะ่ะขโมยมันเข้ามาบ้านเราตอนมืดๆนะ่ะถ้าเราปิดไฟมืดเนี่ยมัน ม, มันก็รักขโมยได้พอเราเปิดไฟปุ๊บมันหนีเลย นี่คือมารขันทมารเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้ถ้า ร, ารู้ทันแล้วก็ผ่อนคายบรรเทาในเบื้องต้นปวดเมื่อยก็ขยับปรับเปลี่ยนไปโรคภัยแก้เจ็บที่เกิดขึ้นก็รักษาไปให้หมอเขรักษาแต่ใจเนี่ยเราต้องรักษาเราเองคนที่มาที่วัดป่าสุขกโตถ้าไม่เคยสมบูรณ อาจจะมีปัญหาเรื่องร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรยอมรับมันนะแล้วเราก็เรียนรู้มันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้หมดนะอย่าเอาเป็นอุปสรรคอย่าเอาเป็นสิ่งที่มาขวางกันนะสิ่งเหล่านี้ตัวที่4ี่ความกลัวเขาเรียกมัจจุมาลกลัวความมืดกลัวทุกแก่กลัวจิ้งจบ ก, กลัวจิ้งกือมันโยงไปถึงความกลัวตายอ่ะ ซึ่งมันเป็นสัญญติญาณ น, นะถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเนี่ยเราจะไม่กลัวความมืดก็มืดนะทำไมเราต้องไปจินตนาการถึงแม่น า, าคพักโหนกหรือผีที่เราเคยดูในหนังความคิดมันร่วมกันสมคิดสมคบคิดที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันมันเราจะกลัวจนตายแหละถ้าเราไม่มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ มารตัวสุดท้ายอันนี้ก็เรียกว่ามารมาในคราบนับบุญ น, นะคนปฏิบัติเก่าๆนี้จะเจอโดยที่เราไม่รู้ตัวเนะี่ยเราผ่านอารมณ์นิวรณ์ต่างๆแล้วเรารู้สึกเออสบายโป่งโลสงบจิตใจนิ่มๆมีความสุขนั่นเราจะไปติดมันนะเขาเรียกว่าเทวปุตตมาร ติมันเองวันนี้เดินตอนเช้าโอ้ยสบายเบาแต่ตอนเย็นตอนบ่ายอุ้ยมันหนักก็ไปไขว่คว้าหามันอีกไม่รู้เท่ารู้ทันตรงนี้เพราะฉะนั้นมาเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่าอุปสรรคขวางกัน้นแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามันจะกลายเป็นบารามีขึ้นมาเลยนะบารามีคือความพรั่งพร้อมมีสติพรั่งพร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะ ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราออกจากสิ่งที่เคยยึดติดเคยยึดถือออกจากความอยากต่างๆได้เนี่ยใจมันจะเป็นอิสร ะ, อ, สระอิสระจากสิ่งที่เราเคยยึดติดนะที่เรียกว่ปอุ ป, ปทานก็ดีความอยากก็ดีมนทินเครื่องสมองต่างๆก็ดีเมื่อออกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ใจที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ก็แสดงตัวออกมาคือความเป็นปกติขณะที่ฟังอยู่ตอนเนี้ใครปกติเฉยๆนั่นแหละธรรมชาติเดิมแท้ของเราเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยมาสังเกตไม่เคยมาดูแล้วเราก็ไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกอันนี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสร้างอะไรเลยนะ แล้วนี่แหละคือความสงบที่แท้จริงเป็นสงบแบบตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่รู้คือชอบไปกดข่มอะไม่มันคิดนะอย่างเงี้ยเราจะผ่อนคลายแต่ <c oughs> ความสงบแบบนี้เนี่ยนะมันจืดชืดสักหน่อยนะมันจืดจืดนะมันไม่มีรสมีชาติเหมืนอนไอ้สงบแบบนั้นอนะแต่มันมันเป็นของแท้ที่มันมี มันมีอยู่แล้วเหมือนเวลาเรากะหายน้ำอะ่ะส่วนใหญ่เราก็ไปหาน้ำเปรี้ยวน้าหวานใช่ไหมแต่ไม่ว่าคุณจะกินน้าอะไรคุณจะต้องมาจบที่น้าเปล่าอะ่ะน้ำเปล่าเปล่ า, ลาไล่รสชาติแต่ขาดไม่ได้ใจจืดจืดก็ขาดไม่ได้นี่คือน้ำจืดคนโบราณก็บอกเป็นน้ำอำมฤตที่จะทำให้จิตใจเราชุ่มชื่นจิตใจเราอิ่มเต็มมีอยู่แล้วความสมบูรณ์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยนะเพียงแต่เรากลับไปสู่ความเป็นปกติกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของใจซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ที่เราไม่สามารถสัมผัส ต, ตัวนี้ได้เพราะเราไม่รู้ไงเราก็ไปก่อยคว้าแล้วเราก็ไปติดในอารมณ์ต่างๆชอบอารมณ์ที่สุขเกลียดอารมณ์ที่ทุกข์ รักสุขเกลียดทุกข์อะคนโบราณก็บอกว่ามันเหมือนกับสุขเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์นะทุกข์เนี่ยหมือนตกนรกแต่มันมีไม่สุขไม่ทุกข์อะมันเฉยเฉยอะเนี่ยคือนิพพานเขาถึงบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสติใครได้ยินไหมอาตมาได้ยินครั้งแรกจากปากหลวงพ่อเทียนท่านพูดที่วัดสนามใน น่าสนใจนะอันนี้เราไม่เคยได้ยินเราเรียนเราเรียนในระบบการศึกษาไม่เคยได้ยินพวกเนี้ได้มาได้ได้ยินจากหลวงพระเทียนนะ่ะซึ่งท่านไม่รู้หนังสือนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองที่เราจะได้ฝึกกันต่อเนื่องเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละแต่อย่างว่าลนะ่ะชอบที่อาจารย์ดงเสถันพูดนะอย่าหวังว่าจะได้อะไร การมาปฏิบัติธรรมมันมีแต่การปล่อยการวางถ้าไปหวังมากก็จะจริงจังเคร่งเครียดนะแล้วพอมันไม่ได้ดังหวังก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ไหวแล้ว